ขอความเจริญในธรรมจึงมีท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโพธิยานกำลังนำเสนอเรื่องการคัดเลือกบุคคลที่จะฝักธรรมของพระพุทธเจ้าก็จบลงด้วยตัดสินพระไทยที่จะตอบแทนอุปการคุณของท่านปัญจวัคคีทั้งห้าคือท่าน ปุณธัญญาวัปปะพัตยะมานามะและอาชิชิตทั้งห้าท่านเป็นชาวกรุงก บ, บิลพัทก็ที่จริงก็เป็นประสกนิกรของพระโพธิสัตว์นั่นเองถ้าบวชตามเสด็จแต่ต่อมาเมื่อพระโพธิสัตว์เปลี่ยนวิธีบำเพ็ญเพียรเกิดกลควาหาทางศัตรู้โดยวิธีการบำเพ็ญเพียรทางจิต ทมให้ท่านไม่เชื่อว่าจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เลยทิ้งพระพุทธเจ้านี้ไปอยู่ที่เมืองพาราณสีอิสิ ป, ปตนมริกขายวันที่เมืองพาราณสีเมื่อตัดสินพระไทย ก็จะเสด็จไปโปรดพระปัญยงคีแล้วก็กําหนดดูด้วยทิประจักษสุเวลาเนี่ยปรญยคีอยู่ที่ไหนก็ทรงเห็นท่านโดยทิประจักษสุว่าอยู่ที่อิสิปัตนมรุกขายวันแขวงเมืองพาราณสีซึ่งต้องขึ้นเหนือไปอีกสองร้อยกว่ากิโล การพระองค์ประทับอยู่ที่รู้เวลาเสนานิคมตามสุขควรแก่พุทธาภิรมแล้วก็เสด็จจาริกไปทางที่จะมีเมืองพาราณสีข้อความตรงนี้ที่จริงเป็นข้อความไม่ค่อยยาวแต่ว่ามันก็ไม่ชัดเจนว่าประทับอยู่เท่าไหร่แต่ถ้าเราลองนับเวลานะฮะลองลองนับเวลาว่า จ็ดสัปดาห์ก็สี่สิบเก้าวันทีนี้สี่สิบเก้าวันเนี่ยก็ยังเหลือสิบเอ็ดวันครบสามเดือนพระมิจาาครบสองเดือนนะฮะต่อการศัสรุคือหกสิบวันพระเจ้าสัสรุอนุตตรสมาสโตรยานวันเพ็ญขึ้นวันเพ็ญเดือนหกแสดงบัตถมเทศนาวันเพ็ญเดือนแปด ก็คือห่างกันสองเดือนพอดีเพราะฉะนเวลาตรงนี้ก็เหลืออยู่สิบเอ็ดวันแต่แสดงว่าประทับอยู่ที่อุรุเวลาเซนานิคมเนี่ยคงไม่นานตลอดสัปดาห์หรอกเพราะถ้าตลอดสัปดาห์ก็ต้องเสด็จมาโดยโดยทางฤทธิ์แต่ว่า องเสดพุทธดำเนินไปบนเส้นทางเพราะว่ามันมีบุคคลคนหนึ่งที่จะต้องเพราะเชื่อเอาไว้เพราะเชื่อพุทธะเอาไว้ภายในใจของท่านอะ mm hmm. เสดไประหว่างแม่น้ำขยาแล้วก็ไม้โพธิพฤกต์ mm hmm. ก็ที่จริงก็ตรงนั้นก็ใกล้ๆนะฮะใกล้ๆกับที่พระพุทธเจ้าสัสรุนแนหะ อาชีวกชื่ออุปกาชีวกหรือชี ว, ก ช, ว, ก, ชวกชื่ออุปการเนี่ยได้พบพระพุทธเจ้าในตรงนั้นคือระหว่างขยากับโพรจิตเพื่อพระพุทธเจ้าก็เริ่มออกเดินทางเขาก็มาพบก็เกิดข้องใจสงสัยเพราะว่าปุคลิกลักษณะนสิส ง, ง่างามเลอเกิดผิวพรรณก็ผ่องใสปุคลิกก็องค์อาจกล้าหาญ ลักษณะมีความสงบเย็นก็ เ, เป็นยุคสมัยที่คนคนสนใจเรื่องเรื่องแปลกๆพวกงา่ายงั้นแล้วก็จะมักจะ ค, คิดว่าท่านผู้นี้เป็นพระหรันแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องแปลกแบบพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็แปลกอีแบบหนึ่งคือแปลกจะสามัญชน จะสรุปว่าถ้าแปลกฤษามัญชนนี่แปลกยังไงก็ตามคนมักจะสันิฐานไว้ก่อนว่าเป็นพระอาหารหันต์เป็นยุคที่ค่อนข้างเฮ่อตํานองคล้ายๆคนเฮอเล่นหวยเล่นเบอร์เนี่ยฮะคืออะไรก็ตีเป็นหวยเปนเบอร์ไปเรื่อยยันท่านปูนากรสปะเนี่ยที่เขาได้เรียกท่านว่าเป็นพระหรันเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องอุบัติเหตุคือท่านเป็นธาตุคนที่ครบหนึ่งร้อย ของนายธาตุก็เป็นที่โปรดปรานนะฮะคล้ายๆก็เป็นตัวเลขตัวเลขสมบูรณ์ตัวเลขครบก็ชื่อปุณณนะก็คือสมบูรณ์นั่นเองก็ไม่ต้องทำงานหนะักส่วนมากก็ติดตามนายไปในที่ต่างๆคอยช่วยถือของหยิบของอะไรต่อไรเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่อิสระ พอออกมาพอนาย ค, นคุ้นวันหนึ่งแกได้จังหวะแกวิ่งหนีเื่อต้องการให้หลุดพ้นจากความเป็นผ้าแต่ก็นายจับได้นะฮจับเฉพาะผ้าแกก็วิ่งไปเลยนะผ้าก็หลุดหมดผ้ายาวนะะผ้าโทจีนี่มันยาวแกก็วิ่งไปเปลือยกายไปงั้นเองควรก็ตื่นเต้นก็ถือว่าอัศจริย์ก็ยกย่องว่าเป็นพระหรัน คือไม่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรนะแม้แต่ผ้าก็ไม่นุ่งคนก็ให้ความเคารพนับถือแต่ทีนี้ท่านเป็นท่าท่านไม่เคยศึกษาเล้วเรียนอะไรมาท่านก็สอนจับหลักอะไรไป่ค่อได้แล้วก็โม้โม่อย่างไงชอบคนเน่ะคือไม่มีกฎมีเกณฑ์อะไรแต่ว่าคนในโลกนี้ไม่มีกฎเกณฑ์เยอะคนๆพวกนี้ก็ไปยอมนับถือท่านปูรนกัสปะก็กลายเป็นคณาจารย์จารุิคนหนึ่ง นี่คนน่าตบุตรเองก็ไม่นุ่งผ้านะฮะแล้วก็ทรมานร่างกายด้วยไม่นุ่งผ้าด้วยคนก็เคารพนับถือหรือว่าชิตเกสกัมพลเนี่ยก็นุ่งผ้าที่ทําด้วยผมมนุษย์เกสษก็คือผมนะฮะกัมพลก็คือผ้ากําพลที่ทําด้วยผมผมมนุษย์แล้วก็แปลกไปกว่าคนอื่นคนก็นับถืออีกอะ่ะคือนี่ก็สรุปว่ามีจุด น่าสนใจแล้วก็คนก็เกิดเกิดข้องใจสงสัยทำไมายความว่าใครก็ตามที่ทําอะไรให้มันผิดมนุษย์ซึ่งอาจจะดีผิดมนุษย์หรือครึมครึมผิดมนุษย์เพียเพ้ยนเพียนผิดมนุษย์อะไรก็ไม่รู้คนก็จะสันนิษฐานไว้ว่าเป็นพระอระหันต์วันพระพุทธเจ้าใน ง, งามสง่าผิดมนุษย์ผูคกลิกลักษณะองค์อาจกล้าหาญ แล้วก็เป็นร่มเงาที่ให้ความสงบเย็นแก่ผู้พบเป็นแล้วนากก็ถามว่าอาวุโสคือแปลว่าคุณนะฮะที่จริงอาวุโสเนี่ยแปลว่าคุณอินทรีย์ของท่านผ่องใส ย, ยิ่งนักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ปลดปล่อยอินทรีย์นะคือตาหูจมูกลิ้นกายนะฮะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจแต่วใจมันไม่เห็นหรอกคือแกไม่เห็นน้องใจ ตาวงจมุกลิ้นกายในผ่องใสมีเป็นเนตเป็นประกายแสดงถึงความสงบอ่อนโยนผิวพรรณก็สวยงามบริสุทธิ์ผ่องแพ้วก็เป็นจุดแปลกนะฮะว่าคนอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรในภายในใจอาจาคนปกติธรรมดาก็ถามว่าท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใคร ถามสคำนะฮะคือท่านบวชรูทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครคือตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่ในในฟอร์มของนักบวชประเภทที่เรียกว่าภิกษุก็ตั้งแต่เสด็จออกประนวดมาก็อยู่ในฟอร์มของนักบวชประเภทภิกษุแต่ต้องเข้าใจนะอย่างว่าพระเราในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีมีอังศะสวมแต่สมัยก่อนมันไม่มีหรอก อังาสากเนี่ยไม่ได้เป็นบริขารอย่างหนึ่งของพระแต่ว่าเราก็ดูแล้วไม่ค่อยจะเรียบร้อยนะถ้านุ่งสบงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ห่มจีวรก็บางครั้งก็ไม่ได้ห่มจีวรเพราะว่านันมีงานมีการจะต้องทําแต่ว่านุ่งสบงตัวเดียวก็ดูไปเรียบร้อยก็เลยอังาสากมาสวมเสียพระเจ้ตอนนั้นก็ไม่ได้สวมอังสะก็ห่มจีวร กนองสบงพ้ออมจุบอทสองผืนนั้นมีผ้าสองผืนผ้าสามผืนเนี่เพิ่งมาในตอนหลังก็สรุปว่าแต่งองค์แบบง่ายๆนะเรียบง่ายมากๆตอนผิวพรร์มันมะก็เด่นสง่า ง, งามก็รับสั่งตอบเป็นคำตอบเหมือนกับที่กล่าวเขาเรียกอสภพวาจาตอนที่ประสูตม แล้วก็เดินด้วยประบาทได้เจ็ดเก้าเนี่ยข้อความช่วงหนึ่งนี้เหมือนกันเมือกท็ที่ทรงรับสั่งตอนนั้นรับสั่งว่าเราเป็นผู้ครอบงามธรรมทั้งปวงคำว่าครอบงามนั้นหมายความว่าทำลายกิเลสนะครดับกิเลสได้ทั้งปวงโชนบัรดาพวกอกุศลทุจริตทั้งหลายมีชื่อยังไงก็ตามนะครอบงามได้ทั้งหมด แล้วก็รู้ธรรมทั้งปวงรู้ธรรมทั้งปวงก็รู้ทุกรู้สมุทยัยรู้นิโรธรู้มรรคเนี่ยแต่ว่การเป็นการรู้ได้ยานเพราะว่าธรรมทั้งปวงพอมาสรุปแล้วมันก็หมดแล้วนะฮะอริยสัจนี่ก็ถือหมดแล้วเป็นการรู้ได้ยานสามคือกัตายานรู้เอ้ยไม่ใช่สัจญานรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้นี่คือทุก มีคือเหตุเกิดแห่งทุกนี้คือความดับทุกนี้คือข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับทุกข์แล้วก็เกิดญาณผุดขึ้นเรียกว่ากิจยานคือรู้กิจที่ควรทําต่ออริยสัตว์แต่ละข้อว่าแต่ละข้อนี้ควรจะทำอย่างไงก็รู้ว่าทุกนั้นควรกําหนดรู้เอาไว้สมุทัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งแล้วก็มักควรเจริญ แล้วเกิดกัตายานคือรู้ว่าทุก์ที่ควรกําหนดรู้เราได้กําหนดรู้แล้วสมุทัยที่กควสมุทัยสมุทัยควรละเราได้ละแล้วนี่นิโรดนิโ ร, โรคควรทำให้แจ้งเราทําให้แจ้งแล้วนี่มรคมรควรจเจริญเราได้จเจริญแล้วก็เป็นยานสามซึ่งเกิดขึ้นในระยะสัตว์สี่ที่เรานํามาสร้างเป็นสัญลักษณ์เป็นเสมาธรรมจัก เพื่อนฟังอยสังเกตว่าเสมาธรรมาจากมันก็จะมีสี่ซี่ซึ่งน้อยนะฮะส่วนมากจะแปดสิบสองสิบหกแล้วก็สามสิบเจ็ดนะฮะที่จริงสามสบเจ็ดแต่ว่าก็ทำสามสเจ็ดไม่ได้ก็ทำแค่สามสิบหกก็เป็นสัญลักษณ์ถ้าสี่ก็หมายอริยสัจสี่ถ้าแปดก็ริมักไปองแปดถ้าสิบสองก็หมายความมายานสามซึ่งเกิดขึ้นในยศสัจสี่เนี่ย อย่างละครั้งสามสี่ก็เป็นสิบสองถ้าสิบกก็หมายถึงกิจในร 4. อริยสัจสี่อริยสัจแต่ละข้อเนี่ยจะทำหน้าที่สี่ประการสี่ี่ก็สิบหกแต่ถ้าสามสิบเจ็ดนี่ก็คือโพธิปิยธรรมสามสิบเจ็ดเป็นความหมายเป็นสัญลักษณ์ที่คนรุ่นหลังก็คิดขึ้นบนคำารู้ธรรมทั้งปวงก็คือรู้ได้การสัจสรู ทีนี้เมื่อรู้ด้ยการจัด ส, สรูปก็แสดงว่าทำที่คนอื่นครอบงําไม่ได้เนี่ยทุกขเจ้าต้องครอบงําได้หมดก็อันตราและทิฏฐิไม่ฉาบถ้าแล้วคือตามปกติมนุษย์เราเนี่ยเวลเราไปเจออารมณ์นะเจอเจอเรื่องที่จะต้องแสดงความคิดความเห็นนะฮะทิฏฐิมันก็ฉาบถา้าเอาเรื่องวัตถุสิ่งของก็ตันหามันก็ฉาบถา่าเอา ก็อย่างที่พูดไว้ในวันก่อนนะว่านักบวชก็ทะเลาะกันด้วยทิฏฐิชาวบ้านเองก็ทะเลาะกันด้วยกามก็สองเรื่องนี้ะก็ยุ่งๆกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ไหนแต่ไรมาทีนี้พระพุทธเจ้านั้นจะเห็นรูปจะฟังเสียงจะดมกลิ่นจะลิ้มรสจะถูกต้องยึดร้อนหนั่นแข็งก็ตามนะฮะตามปกติเมื่อเกิดรูปปัญหาสัทธาปัญหากัญชาตนญาและสัทธาปัญหาผลตาปัญหาแต่พระพุทธเจ้าจะไม่มีตัญหาเพราะว่า ดับตัณหาพร้อมสมบูรณ์รากคือดับมันต้องไปอวิชชาแล้วทีนี้ทิฏฐิคือความเห็นต่างๆทรงรู้เห็นตามความจริงในแต่ละเรื่องแั้วทิฏฐิในที่นี้คือทิฏฐิความเห็นผิดทั้งหลายเนี่ยความเห็นผิดทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็มีทิฏฐินั่นแหละแต่ว่าก็ความเห็นชอบที่สมบูรณ์ทิฏฐิในที่นี้จึงหมายเฉพาะทิฏฐิที่ผิดนะคร ไม่สามารถฉาบถาได้คือเวลาสัมผัสอารมณ์เนี่ยเราจะลองลองสังเกตเช่นคนที่รู้กับไม่รู้ไม่ว่าไรฉันท์นว่าคนเสพยาบ้าเนี่ยที่จริงถ้ารู้โทษก็าก็ไม่เสพถ้าไม่รู้รู้ว่ารู้ไม่มีความเข้มแข็งมากพอจิตใจไม่เข้มแข็งมาพอก็ไปเสพแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงรู้ชัดเจนในแต่ละเรื่อง เพราะในสิ่งดีสิ่งไม่ดีเนี่ยก็เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าเหมือนกันเกิดได้ลาบได้ยศได้สันเสริญประสบความสุขหรือเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็ได้เหมือนกันนะเหมือนกับคนทั่วไปก็ได้แต่เพราะว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงไม่มีความยินดียินร้ายพระไทยไม่ฟูไม่แฟกไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ทส่งสัมผัส ก็สิ่งเหล่านั้นที่จริงเมื่อก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าลาบยศสันสริญสุขสักแต่ว่าเสื่อมลาบเสื่อมยศนีนาทุกปัจัยไม่มีอะไรนะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยดำรงอยู่ตามเหตุปัจจัยแตกดับไปตามเหตุปัจจัยปัญญาก็รู้เทันเกิดก็สักแต่ว่าเกิดตั้งอยู่ก็สักแต่ว่าตั้งอยู่ดับก็สักแต่ว่าดับแล้วก็ทุกเรื่องที่เข้าไปเกี่ยวข้องเี่ย หมายความว่าตัณหากระทิฐิไม่เกิดยกสองอย่างแต่ยกมาหลายๆอย่างก็ได้แต่เพียงว่าในตรงนี้ทรงรับสั่งเป็นฉันทลักษณ์เป็นฉันก็ต้องการตีฆะตรักษาครุระภูนะฮะตอนนั้นก็รับสั่งแค่สองข้อเกิดตัณหากระทิฐิเพราะตัณหากระทิฐิเนี่ยมันเป็นจริตมนุษย์นะฮะมันจริตมนุษย์เขาเรียกว่าตัณหาจริตกทิฐิจริตและตัณหากล้า ก็แสดงปัญญาน้อยตนาน้อยก็ปัญญามากนะทีนี้ถ้าทิฏฐิกล้าก็แสดงว่าไอไอปัญญาเนี่ยทิฏฐิในที่นี้หมายความความเห็นผิดนะฮะคือปัญญาแค่ก็น้อยทีนี้ถ้าหากว่าทิฏฐิอ่อนปัญญาก็มาก เพราะว่าตัวปัญญาเนี่ยมันตัวทําลายทิฏฐิตัวความเป็นผิดพวกง่ายกว่าพวกทิฏฐิเนี่ยมันภูมิจฉาทิฏฐิเนี่ยพวกพวกฝ่ายมืดแต่สัมมาทิฏฐิเนี่ยเขา่ายสว่างแล้วก็ละธรรมเป็นไปในภูมิสามได้หมดหมายความว่าภูมิสามเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างอย่างอย่างอบายภูมิสี่ประการมาเกิดด้วยผลของอกุศล ผู้เจ้าละกุศลได้หมดคือละบาปละบาปได้หมดแล้วก็การเกิดเป็นมนุษย์ที่ที่ดีนะะขึ้นไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยมันเกิดด้วยผลของกุศลกรรมระดับกามมวจรระดับรูปาวจรระดับอรูปาวจรระดับกามมวจรก็คือบุญประเภททานประเภทศีลนี่แหละ โสดสัมมาคารวะโปรอะไรใดนี่เป็นเหตุแห่งทางความซื่อสัตย์จุริตสามีพัญญาไม่นอกใจการอะไรใดนี่เป็นเหตุแห่งสุคติเนี่ยแล้วก็พวกได้ฌานบังเกิดเป็นรูปประพรมอรูปฌานก็บังเกิดเป็นรูปประพรมพระพุทธเจ้านั้นละหมดจึงไม่มีพบพระพุทธเจ้าไม่มีพบที่จะไปเกิดแล้วไม่ไม่มีชาตเกิด ค, ความเกิด แต่ก็มีภูมิของธรรมคือโลกุตระกุศลพลเราเจะเห็นว่าพระทยขององค์เข้าถึงโลกุตระภูมิแต่ก็ไม่มีโลกุตระภพนะฮะโลกุตระภพไม่มีก็ให้คำตอบว่านิพพานเป็นอัตาเรออนาตาเนี่ยผลแล้วเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาคือตัณหาชะเนติปุรสังตัณหาในอย่างชนใ้เกิด ตัญหาเนี่ยทำให้คนหรือกําเนิดคือเกิดในพบในชาติต่างๆอย่าบ้างกลางบ้างละเอียดบ้านทีนี้เมื่อตัญหาดับอย่างอื่นมันก็ดับเป็นกระบวนการกระบวนไปเลยนะะคล้ายๆกับที่เคยพูดเรื่องปฏิจจสมบาทว่ามันมีอยู่สองหัวคือหัวในอดีตก็คือวิชาหัวในปัจจุบันก็คือตัญหาพวกนี้เหมือนกับเหมือนกับรถไฟทั้งกระโจนถอดหัวรถจักรออกอันเดียวพอ โบกี้ทางหลายก็หยุดนิ่งก็ เ, เคลื่อนไหวไม่ได้เพราะในกิเลสเนี่ยอวิชาจึงเป็นอดีตเหตุปัจจุบันไอ้ไม่ใช่ตัะหาจึงเป็นปัจจุบันเหตุเหตุในชาติปัจจุบันได้รับสั่งว่าเราจะตรู้ยิ่งเองแล้วสัตว์รู้ยิ่งเองเป็นเป็นเป็นอภิญญายะสัตว์รู้ยิ่ง โดยลําพังพระองค์เองไม่ไม่มีครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นเนี้ยจะพึงอ้างใครเล่าอ้างอ้างใครเล่ายัางไงอ้างว่าบวชอุทิศใครใครเป็นาศาสดาหรือชอบใจธรรมของใครเลยมันไม่คําตั้งข้าอันนี้มันไม่มีให้อ้างบวชอุทิศใครพระองค์ก็บวชเพื่อมุ่งสู่พระโพธิญาณใครเป็นาศาสดา ท่านก็สแสวงหาของท่านเองกระสัสรู้ดีจะรู้ชอบไปโรงเองถือว่าชอบใจธรรมของใครก็ทําที่โปร่งสัจธรรมเพราะฉะนั้นสามอย่างนี้จึงจึงไปไม่ได้อ้างจากข้างนอกแต่ก็เกิขึ้นอยู่กับโปร่งเองแล้วก็อาจารย์ของเราไม่มีอย่าลืมอาจารย์ของเราไม่มีในที่นี้หมายถึงว่าผู้ที่ท่านบวชอุทิศได้ ว, ว่ายึดถือใครเป็นาศาสดาได้อชอบใจธรรมใครดีไม่มี แต่ว่าท่านอาราดาบทุตกาดาบทเป็นต้นแม้แต่ครูวิศวามิตรตั้งแต่นนทุจ้าก็เรียกว่าอาจารย์ของเราแต่ไม่ใช่อาจารย์ในกา ร, ราสัสรู้หรือว่าช่วยปรงุง ร, รัตโรที่ปรุงรัสรู้นั้นไม่ได้มีอาจารย์ไม่มได้มีครูบาอาจารย์เป็นการศึกษาคนคว้าแล้วเราจะเห็นว่าปรับสภาพไปเรื่อยๆอย่างที่เคยให้รายละเอียดวิจิตพิสานกรอนที่จะขึ้นประทับบนต้นโพเนี่ยเพราะประเด็นตรง น, นี้มีคนพูดกันเยอะ ส่วนมากจะเอาไปพูดแล้วก็พูดเรื่อยคือไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยดูที่พระไตรปิฎกเนว่าตอนนั้นก่อนประทับบนต้นโพเนี่ยพระพุทธเจ้าบรรลุสมาบัติแปดแล้วบรรลุไปถึงสมาบัติแปดแล้วเปิดพอขึ้นไปต้นโพเนี่ยมันไม่มีกิเลสประเภทแต่ที่จะเกิดขึ้นรุมรุมใจแล้วอกิเลสสมานิยมไม่มีมาตั้งแต่ก่อนจะขึ้นไปแล้ว มันไม่ใช่ตอนไปนั่งบดด้นโพหรือไปนั่งต่อสู้กับกิเลสมานอยู่อีกมัไม่ใช่อย่างนั้นที่พยายามที่พยายามให้ท่านผู้ฟังนึกถึงเหตุการณ์ะสถานที่กาลเทศะคือนึกถึงกาลเทศะอยู่ด้วยพราะเวลานี้สถานที่นี้ทําอย่างนี้มันก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้คือตามปกติเวลาเนี้ยเราเราพูดเรื่องอะไรเนี่ยยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่น เวลาเขาต่อสู้กันทางการเมืองเนี่ยกาลาเทสะบุคคลเนี่ยมันมันผิดหมดเลยอะ่ะเพราะเวลานั้นนะเวลานั้นคนคนนั้นเป็นอย่างหนึ่งนะแล้วก็ก็อ้างไปทําอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีอํานาจไ ม, ไม่ไม่มีหน้าที่ไม่มีตําแหน่งที่จะไปทําอย่างนั้นได้แต่ว่าคนไม่ได้มองรอบครอบในรัฐขณะนั้น คือการละเทศะบุคคลการกระทําเนี่ยมันต้องเป็นอันเดียวกันเลยเวลานั้นสถานที่นั้นบุคคล น, นั้นเป็นอย่างนั้นแล้วจึงทําอย่างนั้นได้ทีนี้เมื่อเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเช่นสมมุติว่านักการเมืองคนหนึ่งไปสั่งฆ่าคนมันก็ถามว่าตอนนั้นเขาเป็นอะไรเวลานั้นตอนนั้นเก็เป็นอะไร เมื่อเขาเป็นราษฎรคนนึ่งอ้าวแล้วก็ราษฎรคนหนึ่งก็มีสิทธิ์สั่งฆ่าคนได้ไงมันไม่มีเหตุผลเพราะนนั้ตรงเนี้ยมันมันมันที่เราไม่ค่อยโยงให้ดูว่าจริงๆเนี่ยเอสมมุติว่าเราพูดประโยคหนึ่งเนี่ยมันจะเกี่ยวอะไรกันเยอะเลยเฉันบอกว่าผมได้ยินเขาพูดถามว่าคุณอยู่ห่างเท่าไหร่ ปรากฏว่าห่างที่ไม่ไม่สามารถจะพูดจะได้ยินได้ก็แสดงว่ากาละกเทศะารนะกับการกระทาของคนเนี่ยมันขัดแย้งกันเพราะในกาละอย่างนั้นคุณอยู่ในเทศาตรอย่างนั้นคุณอยู่คนหนึ่งอยู่อีกเทศาตรหนึ่งคือสถานที่หนึ่งและการพูดเนี่ยธรรมดาของมนุษย์เนี่ยมันไม่มีใครได้ยินขนานั้น เออถ้าพูดเครื่องเครื่องขยายเสียงต้องถามม่าทำไมยังมีเครื่องขยายเสียงอีกต้องมีงานอะไรหรือเปล่าพอ ม, มีงานมันมีพยานนะทีเนี้ยมีพยา น, ะน ม, ยามีบุคคลอะไรต่วอะไรเยอะเลยก็กลายเป็นปัญหาที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจแนวตัวนี้ที่จริงมันเป็นแนวของโครงสร้างของสัพพิสธรรมนะฮะเราจะเห็นว่าทีเดียวเนะี่ยมันพรวดเดียวมันมาหมดทั้งเจ็ดข้อเลยต้องครบเพราะงั้นพระพุทธเจ้าที่บอกว่า จะพึงอ้างใครเล่าอาจารย์ของเราไม่มีเนี่ยหมายความว่าไม่มีที่พระองค์บวชอุทิศในฐานะที่ทำให้พระองค์ตรัตรูุแล้วจนพระองค์ชอบใจนะไม่มีไม่ใช่ว่าปฏิเสธอาจารย์ในชีวิตไม่มีนะทั้งฝั่งกันหลายแต่หลวงพระพุทธญาณในวันนี้ขอหยุดติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญมโหงามไปบูุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี